พระธรรมเทศนาแผ่นที่เจ็ดสิบลำดับที่หกโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์สองห้าอห้าสิบดมีชื่อเรื่องว่าอย่าให้เขามาง้อเรา วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558นห้าบนับจากวันนี้ไปเป็นวันงานของเราที่พวกเราจะทำบุญบุทิษฐ์ส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณภายในวัดของเรายังอีกสิบวันเพราะว่าวันที่สามสวดมนต์เย็นวันที่สี่ ถวายพระทหารพระสงฆ์ที่พวกเราจะร่วมกันทาบุญอุทิศสวนกุศลในวัดภายในวัดของเราวันนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่อยู่ภายในวัดหรือว่าผู้เกี่ยวข้องให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนอย่าไปคิดว่าเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อหรือเป็นหน้าที่ของผู้ใดใครผู้หนึ่ง เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนจะต้องร่วมกันช่วยกันคนลำไม้คนละมือ อ, อย่าไดา้ให้คนอื่นไปง้อตนกทฏิเสกกรว่าตนฆ่าเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญขนาดหลวงพ่อเป็นหัวหน้าวัดหลวงพ่อยังไม่ถือว่าหลวงพ่อเป็นบุคคลสำคัญก็ต้องอาศัยพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่า จะสําคัญที่ไหนแต่ตัวเองว่าสําคัญนั่นแหละแต่คนอื่นไม่ให้ความสําคัญนะเพราะนั้นสิ่งไหนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลสิ่งไหนจะเกิดประโยชน์ให้ทาสิ่งนั้นดำเนินสิ่งนั้นคิดสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นพูดสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์อย่าไปให้ผู้อื่นงองอนตัวเองซะ ก, ก่อน ไปขอร้องตนเองซะก่อนว่าข้าี่เป็นผู้รู้ผู้ฉลาดเป็นผู้เอฉลาดปาดเปืองเป็นผู้อรอบโรอถ้าข้าไม่ไปข้าไม่ทําข้าไม่ดําเนินการเนี่อถ้าคอยดูออถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อเออให้ตายไปซะก่อนก็ดีเหมือนกันนะเอจะได้ขวางไม่ได้ขวางหมู่ขวางเพื่อน ขวางโลกเขาหนะลวงพ่อก็จะว่าอย่างนั้น แ, แต่ตามไม่จริงทุกคนสำคัญด้วยกันทุกคนนั่นแหละถ้ า, าหากว่าหันหน้าก็หากันไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นบุคคลสำคัญเลยอิลุมตุมปองลอกงอกแกลกแงะ อ, อยากจะให้คนอื่นงองอนตัวเอง อ, อันนั้นเป็นความคิดที่โง่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง อจะให้โทษอื่นงองอนตัวเองนะฮะให้ตัวเองนะงอเงอนพระพุทธเจ้างองอนพระหันตสาวกงองอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนั้นจึงจะถูกนะอถ้าจะให้งองอนคนที่มีกิเลส ด, ด้วยกันมันงองอนกันไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าเอไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่ใช่ว่า จะทุ่มเททุกอย่างมอบความวมอบความไว้วางใจทุกอย่างก็ไม่ถึงขนาดนั้นพวกเราเคยได้ศึกษาในพระไตรปิฎกไหมในครั้งพระพุทธเจา้าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วนะ่ะพระภิกษุแก่องค์หนึ่งชื่อชุพนะัฒ <c> น <oughs> มาในงานาถวายพระเพลิงพระพุทธเจา้าที่กุชีนาลานะ พระสงฆ์ทางหลายร้องหม่มร้องไห้อุบาศกอุบาสิกาผู้ที่ยังเป็นปุตุชนยังไม่กิเลสยังไปหมดจากหัวใจตั้งแต่พระโสดาบันตั้งแต่พระอนุนพระอานุ์กับพระโสดาบันยังมีความสรดสังเวชใจร้องหม่มร้องไห้ว่าเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วต่อไปภายภาคหน้าเรายังไม่ได้วัน จุบรรลุถึงมรรคผลนิพพานพี่เลี้ยงก็จากไปเสียก่อนเราจะเดินไปยังไงหนอถ้าหากว่ายังพระพุทธเจ้ายังเป็นผู้นำอยู่เราก็จะได้ พ, พรพองค์จะได้ชี้นำชี้แนะผลทางเราก็จะได้ถึงมรรคผลนิพพานตามที่เราปรารถนาแต่บัดนี้เราก็ปรารถนาอย่างสูงสุดแต่พี่เลี้ยง คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชีน้นาก็ท่านได้ปรินิพานไปเสียแล้วนนี้ก็คือความวิตกกังวลของพระเสขะเสขะผู้ยังศึกษาพ ร, พระอะพระอะเสขาผู้ไม่ต้องศึกษาคือพระหันพระหันคือพระอะเสขาผู้ไม่ต้องศึกษาถ้าเป็นพระเสขายังเป็นผู้ศึกษา จะเป็นระดับไหนเป็นอุบาสกอุบาสิกาโยมผู้หญิงโยมผู้ชายภิกษุสัมมเนเนภิกษุณีระดับไหนก็ตามถ้ายังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์ถึงจะเป็นด็อกเตอร์ระดับไหนก็ยังเป็น เ, เสขะผู้จะต้องศึกษาผู้จะต้องหาทางพ้นทุกจะต้องหาครูบาอาจารย์ผู้ชี้ดาชี้แนะอันนี้แปลว่าผู้ยังเป็น เสขะอยูนะ่เว้นเจเป็นพระอะเสขะคือไม่ต้องศึกษาคือพระหัน์มีจําพวกเดียวต่นี้พระในครั้งนู้นในครั้งพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานนะพระสงฆ์ทางหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นเสขาเนะี่ยก็ร้องโ h o ร้องไห้แต่มีพระแก่องค์หนึ่งที่เป็นมิจฉาทิฐนะิคือมีความเห็นผิดนะคือเห็นแก่ตัว ท่านบอกเอ้ยพวกท่านทั้งหลายจะร้องโหมร้องไห้ทําไมเออคาดไม่เห็นจะร้องโ h o ร้องไห้เมื่อพระพทุทธเจ้าตายไปแล้วก็ดีไปแล้วเนี่ยเอยเพราะว่าเมื่อท่านตายไปแล้วเนี่ยเออท่านไม่ได้มาพูดมากล่าวให้กับพวกเราในเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่เดี๋ยวก็ตําหนินู้ดเดี๋ยวตําหนินี้เดียเด๋ยวบัญญัตินั้นเดี๋ยวบัญญัตนินี้วินัยข้อนั้นวินัยข้อนี้น ผิดอย่างนู้นผิดอย่างนี้ไม่ถูกต้องอย่างนั้นไม่ถูกต้องอย่างนี้อ อ, ออกมาเป็นระรอกระรอกเมื่อพระพุทธเจ้าประณีปานไปแล้วพวกเราเ อ, อ, อยู่แบบสบายไม่มีใครด่าว่ากล่าวให้กับพวกเรานะนเนี่ยนี่แหละสุภัททาที่บวชภายแก่เหนเขาคิดอีกมุมหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นโลกใบนี้มันมีมากลายลาย แต่ถือยังไงพวกเราเที่เป็นผู้ได้รับการศึกษาเป็นสัมมาทิฏฐินะ อ, อันไหนที่ถูกต้องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนถูกต้องอันนั้นเราเสยบยอมรับแต่ว่าสิ่งไหนก็ตามที่เเรื่องวัตถุเรื่องโลกโลกทั้งหลายทั้งปวงนะเนี่ย เ, เ, เ, เราอย่าไปให้เขามางอมางอนเราเถ้าว่างองอนเราเนะี่ย ถือว่าเราเป็นบุคคลสำคัญเขาก็จะปะนามขึ้นมาเอ้ยตายไปก็ดีเหมือนกันนะ่ะเพื่อจะได้หลีกทางเราเขาก็จะหวยอย่างนั้น อ, นะอีกนี่เพราะนั้นสิ่งเราทั้งหลายทั้งปวงอขอให้พวกเราการประกอบคุณงามความดีอย่างที่พวกเราจะได้ทำคุณงามความดีนี่นะ่ะให้พวกเราทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความใส่ใจ สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของใครของเราถ้าใครทาความชั่วความชั่วก็จะเข้าใจของคนนั้นถ้าใครทำดีความดีก็จะเข้าใจของคนนั้นเพราะใจของเราเนี่ยเป็นคลังเป็นที่รองรับบุญและบาปของใครของเราเมื่อเขาทำกรรมของเขาเราจะไปแบกมันก็ใช่เรื่องมันเป็นหน้าที่ของเขาเขาต้องรับเองในเมื่อเราทำกรรมไม่ดี กรรมไม่ดีก็จะต้องมาเข้ามาหาเราเอคนอื่นจะไปรับกรรมแทนเราได้อย่างไรเหมือนกับเราเรียนหนังสือนะเราตั้งใจเรียนเพื่อการศึกษาเนี่ยคนอื่นจะไปได้ความรู้กว่าเราได้ยังไงเพราะเหตุไรเพราะเขาไม่ได้เรียนนอต่างคนก็ต่างเรียนต่างคนก็ต่างรู้ต่างคนก็ต่างทําต่างคนต่างได้บุญของใครของเราเพราะนั้นการสั่งสมบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอ เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆๆนะทุกนนะคณะทายาทโยมลูกหลานพระเนนทุกองคอช่วยช่วยกันทําสิ่งไหนให้เกิดประโยชน์คิดให้ดีทําให้ดีพูดให้ดีนั่นแหละจะเป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจนะแต่เรื่องจิตตภาวนาอันนั้นพวกเราอย่าอย่าลดละจุดนั้น อ, อันนั้นคือหัวใจหัวใจในภาคปฏิบัติของพวกเราถ้าว่าพวกเรามาอยู่ป่าโรงพงภัยอย่างนี้มีต่มา ดื่มน้ำํำร้อนน้าชาโก โ, คโคก้กาแฟกินขนมนมเนยอยู่เพียงวันละมื้ออย่างนี้นะแล้วก็ยัมาติดอยู่ในที่นี่อย่างนี้อีกอันนั้นไม่ถูกต้องอย่างมากเรามามีจุดประสงค์อะไรที่มาเราอยู่ป่าดงพงไพ่อย่างนี้เรามาเพื่อภาวนา ช, ชพระจิตใจของเราให้สงบจิตใจของเราให้พ้นจากพกจากทุกในวัฏสงสาร จะไม่มาขอเวียนไหว้ตายเกิดอีกเพราะเหตุไรเพราะว่าเราได้ศึกษาธรรมะทำคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเ อ, อเกิดเนี่ยก็ใช่ก็ยังพออดทนมาได้ อ, อแก่เนี่ยก็ยัง อ, อแก่มาถึงระดับหนึ่งก็ใช่พอแก่เข้าไปเจ็ดสิบแปดสิบก็ไปแล้วอย่างหลวงพ่อเนี่ยมองไปข้างหน้านความแก่ของหลวงพ่อหนึงพ่อหนึ่งอหหดหูแล้เกินว่าไงนต่ ที่จะยอมรับความแก่จุดนั้นคุณแม่แช่คุณแม่ชี้แก้วท่านบอกว่าไม่มีอะไรที่จะทุกข์ยิ่งกว่าความแก่พอมันยังไม่ตายในเมื่อยังไม่ตายมันกระทุกไต้ทีไหนรู้ทุกข์ยากแต่มันไม่ได้อย่างใจทำอะไรจะเดินจะก้าวจะช่วยตนเองก็ไม่ได้จะไปที่ไหนก็ไม่ได้จะเข้าห้องน้ำก็ได้ต้องคนได้หามเข้าอีกต่างหาก ไม่มีอะไรที่จะทุกข์ยิ่งกว่าความแก่นะเพราะยังไม่ตายนะนี่แหละอันนี้เมื่อเราเห็นเพียงแค่เี่ก็เห็นแล้วความแก่เนี่นมันทุกข์แล้วก็ความเจ็บเลยทุกข์ขนาดไหนอีกนะมาถึงใจจะขาดก็ ย, ยิ่งทุ ก, กข์ก็ครอบไปกว่านั้นอีกนะเพราะนั้นโลกวัฏสงสารนะี่เราคิดดูให้ดีที่อย่างที่หลวงพ่อพูดนะเลียงลาดับให้ดูเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงสมัยเป็นเด็ก จะมาให้เป็นคนหนุ่มเอ่ค่อยยังชั่วยังท่าดขันร่างกายยังชั่วยตนเองได้อยู่พอแก่เข้าไประดับหนึ่งนะั้นพอเจ็บกันละพอตายแล้วแต่ทํำยังไงถ้าว่าตายแล้วเกิดอีกเนี่ยเรายังไม่พ้นทุกยังไม่หมดกิเลสเกิดมาอีกเช่าหน้าจะหมุนเวียนอีกอย่างเก่านั่นนะหอะแล้วก็ตายอีกท่านได้เกิดเป็นมนุษย์อค่อยอยังชั่วถ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานหนานาชนิด อย่างพวกเราทันทั้งหลายเห็นดูเส้นสรรพสัตต์ในโลกทุกวันในเขามีเรื่องท่องโลกให้ดูสรพพสัตต์มีสิงโตมีสิงมีช้างมีกระทิงมีอะไรมีอะไรต่อไม่อะไรมีแต่เรื่องฆ่ากันกินแก่งแย่งกันกินต่อสัรพสัตต์ในโลกมันดูดูแล้วมัน เออไม่น่าไม่น่ามาเกิดอีกจะทํายังไงจึงจะไม่เกิดเออพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนกันเนี่ยแหละชําระใจดูใจของตนเองศินสมาธิปัญญาจิตที่เป็นจิตใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยแหะที่จะทําให้พวกเราไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกมีช่องมีทางนะพระพุทธเจ้าพาดําเนินมาแล้วใ ห, ให้พวกเราศึกษา พวกเราจะให้ศึกษ า, ใ, กษาในศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินอย่างไรที่ท่านที่พระพุทธองค์ไม่มาเวียนไหวตายเกิดท่านทำใจอย่างไรแต่ตามไม่จริงมันมีอุปสรรคนา น, นับประ ก, การนะคณะกถาญาติโยมลูกหลานถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่า เ, เมื่อเราอยู่โคลนต้นโพต้นหัวคำ่ำ ก่อนที่จิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบ เ, เป็นปุปเพนิวาในช่วงต้น เ, เราได้ไดพบได้เจอกับานางตันหาลาคะอรลาดีอย่างนี้นะถ้าหากว่าเร า, าพระพุทธองค์พูดแบบจ ง, จงแจ้งเกินไปก็ทำให้โลกทั้งโลกสะเทือนสะท้านหวั่นไหวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระพุทธองค์ก็อยากเน้นจุดนี้อีกเหมือนกัน องค์ที่พวกเราจะไปหนีออกจากจุดนี้ได้ก็คือเรื่องกามมกิเลสเรื่องกามราคาจุดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าที่ท่านมองมองดูทําไมพระพุทธเจ้าจะไปสู่มรรคสู่ผลนิพพานทําไมจึงจะไปเห็นเรื่องนางตันหาราคาอารุณีพยามารที่มาเกี่ยวข้องเพราะเหตุอะไรกันนี่แหละมันเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมาอยู่ในจิตใจของพวกเรา คือการมักเกล็ดราคาบางโทสะบางโมหะมนี่ยนางตันหาราคานะเนี่ยตันหาคือความทะยานอยากราคา ค, คือความชอบความใคร่นะเนี่ยตันหาราคาอราดีนะเนี่ยยินดีในโลกปัตะสงสารนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทองค์ในขณะที่จะนั่งภาวนาพระองค์นึกย้อนไปถึงอดีต อ, อยู่สมัยเป็นอยู่ในเวียงหวัง ย่ในความติดอยู่ในเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะมันพันธนาการพระองค์พระองค์เอ้ยอหมเราจะไปคิดเรื่องอย่างนั้นเอมมันเป็นเรื่องพันเป็นเป็นเรื่องพันธนาการเราจะไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพระองค์จึงใช้ติดอธิษฐานฮะตั้งสัจจะอธิษฐานฮะ ด้วยบุญบารมีด้วยความมุ่งมั่นด้วยขันติด้วยสัจจะด้วยปัญญาด้วยวิริยะบารมีทั้งสิบทั์ของพระพุทธเจ้าบารมีสิบทัดของพระพุทธเจ้านะั้นคืออะไร <c oughs> ถ้าพูดเป็นภาษาบาลีง่ายๆว่าทาสีนะขวิสะสะอเมอนะุ <c oughs> เป็นคาถาเนะี่ยทาชีน่าปะวิคะสะอาเมอุเนเออแต่พวกเราได้ยินเองหลวงพ่อจมคาถาอะไรจะว่าอีกเนะ่ยทานแปลว่าทานทานอนะผู้ที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานได้ต้องมีทานนะมีการเสียสละนะศรัท ธ, ธาญาติโยมอย่างพวกเราจะทําบุญเนะ่ะมีทานธาสีสีแปลว่าสินี่ยต้องเป็นผู้มีศินมีศินซะก่อน ทาสีนะนีคือเนคขมะทําจิตใจให้ออกจากกามกิเลสดซะก่อนออกมาออกมาอยู่ตามลาพังซะก่อนถือพลบพดพมจันซะก่อนทาสีนะปะหุแแบปะเนี่ยแปลว่าปัญญาให้ใช้ปัญญากันกลองไตรตรองเหตุและผลในเรื่องต่างๆปะวิเนียคือวิริยะให้มีความเพียรให้มีความเพียรในเรื่องนั้นๆ ดูเรื่องนี้ทำมันถูกต้องแล้วถึงจะมีอะไรเข้ามาก็พยายามมีให้มีความเพียรคนที่มีความเพียรผ่านพ้นไปได้ทั้งหมดวิภาชิาะนาะปวิคะคะในขันติขันติให้มีความอดทนในเรื่องต่างๆที่มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นปวิวิขะสะคือสัจจะ คือความจริงจังและจริงใจป่าวิคะสะอะคืออธิษฐานคือตั้งใจมั่นให้มีความจิตใจมั่นคงในเรื่องนั้ น, น, นเราอธิษฐานปาวิคะสะอะเมเมคือให้มีเมตตาในใจิตใจให้มีความอ่อนน้อมให้มีความเอือ้อเฟื้อเอื้ออารีต่อเพื่อนมนุษยชาติ อย่าไปเห็นแก่ตัวจะไปเอารักเอาเปียบคนอื่นเขาจนเกินไปอ่ะเมอุกเนะี่ยคือให้มีอุปเปกขาเนะี่ยอุเปกขาคือบางสิ่งบางอย่าง ม, มันเหลือวิชมันเหลือวิสัยเราเนี่เราจะทําได้เนีมันสุดวิสัยไม่รู้จะทํำยังไงเมื่อนคนจะตายนะเราจะไปตายแทนเขาก็ไม่ใช่เราจะไปช่วยเขายัางไงก็ช่วยไม่ได้เราก็ต้องวางอุเปกขาในใจของเราโอ้ใช่ เออม่รู้จะทำยังไงหนาะเอาเถอะเออเราจะทุกข์ก็ทุกข์เท่านั้นล่ะเราจะกิดชาพยาบาทอาฆาต ก, ก็ไม่ใช่เรื่องนะเออเราต้องวางอุปเเบกขานะวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงคราววิบัตนะินี่แหละธรรมธรรมธรรมธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะ เมีหลายระดับอย่างที่หลวงพ่อได้พูดก่อนที่ท่านจะได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพนท่านใช้บา ร, รมีทั้งสิบทัดนะแต่นี้เท่ากัสามสิบทัศนะี่คืออะไรสามสิบทคือทานบารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาทานอุปปารมีทานปรมัมนนตถะบ า, า, ปปป ร, มารมี ท, มทานบารมีคือทานธรรมดานะทานอุปบารมี คือทานที่เหนือกว่าที่ต้งที่เหนือต่วกว่าตัวเองต้องการเออใครเข้าเอาของที่ดีทําบุญทําทานดีกว่าที่ตัวเองคิดปรมัติธรรมปรมีใครบ้าทานสิ่งที่สุดเอาหัวใจเออควักดวงตาออกมาทานเอาเอาไตาออกมาทําบุญทําทานลักษณะอย่างนั้นแหละอันนี้ก็แปลว่าปรมัติธรรมปรมีสัมปนน์ เพราะฉนั้นจึงมีบารมีสามสิบทัดทายชีนาปะวิคษาเมียอุ่นใครบอกอันละสามอันละสามเอม อ, อธรรมดากลางแล้วก็ยอดเยี่ยมเออทุกอันเออธรรมดากลางแล้วก็ยอดเยี่ยมทั้งสามอันสิบอันก็เป็นสิบสามสิบมิใช่เหรอนะเพราะฉะนั้นอุเบกขาก็เหมือนกันอุเบกขาธรรมดาอุเบกขาขั้นกลางอุเบกขาย อ, อย่างสุดชอ่าอย่างเนี้ ะนั้นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราได้ศึกษาดูแล้วมีมากหลากหลายถ้าภูบาอาจารย์ไม่บอกไม่กล่าวไม่แนะนำให้พวกเราฟังพวกเราก็คงจะฟังในระดับหนึ่งแต่เมื่อท่านฟังให้ฟังเออเราก็อือได้รับรู้รับทราบเออใช่ในจุดนั้นเป็นอย่างนี้จุดนี้เป็นอย่างนั้น เ, ออเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาิโยมลูกหลานนะพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตัดสู้ใน โรต้นโพลในวันเดือนหกเพนนนั้นนะ่ะท่านสู้กับกิเลสของพระองค์ไม่เช่นน้อยเหมือนกันานางตานหาราคาอาะอรดีต้องใช้บารมีสามสามสิบทัศสามสิบทัศนะ่ะทั้งต้นทั้งกลางทั้งสูงสุดนะ่ะก่อนที่ท่านจะได้ตัดโรเพราะนั้นพวกเราไปทำเยาะเยาะแยแยทำแบบไม่ง่าย เ, าเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้นะพวกเราอย่างน้อยก็ต้องมอง ดูบรมครูของพวกเราพระพุทธเจ้าพาดําเนินอย่างไรการบําเพ็ญทานศีลภาวนาหาทางพ้นทุก อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้น<ม>เรื่องจิตภาวนา เ, นเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญสําหรับพระนักบวชอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่ทํางานอย่างอื่นงานอย่างอื่นเราก็ไม่ว่ากันนะแต่เราจะไปเทียว่างานอย่างอื่นเลิศประเสริฐกว่างานภาวนา เอออันนั้นผิดและเออเป็นมิตรสายทิฏฐิในใจและเออแต่ว่า ง, งานข้างนอกเนี่ยเป็นงานเสริมเนทาเราไม่ทำเไยทำยังไงล้วก็ต้องมีที่อยู่พักพาอาศัยปัจจัยสี่แต่เรื่องจิตภาวนาของเราเนี่ยต้องเป็นงานที่หนึ่งจ้องชำระใจให้พ้นทุกยังไงจะพ้นทุกในวัฏสงสารถึงพระนิพพานได้อันนั้นล่ะเออเป็นงานหัวใจของเรา อันนี้อยากจะให้พวกเราทุกๆท่านอ่ ะ, อะคิดดูซิที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะให้ฟังเนี่ยนะเออเป็นแนวแถวไหมหลวงพอ่อหลวงพ่อว่ามั่นใจนะจึงได้บอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพระเนนลูกหลานน้องหนุ่งทางหลายศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าอที่หลวงพ่อว่าคิดหลวงพ่อคิดว่าถูกต้องแล้วจึงได้พูดนะเออจะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่า คิดได้คิดพูดคิดได้คิดดาวแล้วก็พูดออกไปมั่นใจพูดอย่างนั้นได้นะแหมมั่นใจยังได้พูดออกไปให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังตอนนื่อไปส่งอนุโมทนาให้พร <c oughs>